ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องริเมาสยบริดเดชสุราปานะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27เมษา ย, ยน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ถ้าผิดศีลข้อหนึ่งแล้วอายุสั้นก็ดูเข้าใจแต่ทําไมนั่นแหละผิดศีลข้ออื่นๆแล้วทําไมถึงอายุสั้นด้วยที่จริงไม่เห็นแปลกเลยเ อ, อ, อันนี้ยังเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนที่พ่อท่านเคยพูดให้ฟังว่าคือคิดว่าถ้าผิดศีลอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ปีสีอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยคือถ้าฆ่าเขาก็ต้องโดนเขาฆ่ า, านะถ้าเอาไม้ไปตีหัวเขาก็ต้องโดนตีหัว <c oughs> กลับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันมันก็ใช่ด้วยอ่ะแต่มันเป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคนเราเนี่ยแม้แต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงตายก็ไม่ใช่เหตุเดียวที่ทำให้คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีเหตุต้องเยอะแยะนะ ที่ทำให้คนเราเจ็บค่าวใจป่วยออันตรมาจะลองถามนะตอนนี้บอกว่าคือตามตามที่เราศึกษามาหรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็ตามที่พระเจ้าตรัสว่าเพราะว่าไปเบียดเบียนเพราะว่าไปทำร้ายเพราะว่าไปฆ่าคนอื่นเขาก็เลยมิบากกรรมผลก็คือทําให้อายุสั้นใช่ไหมอ่า ตอนนี้อาตมาถามนะเอาห น, นี้สมมติวนี่สี่งข้อหนึ่งนะอาตมาถามคุณว่าสี่งข้อสองเนี่ยคุณไปขโมยของเขาเนี่ยคุณว่ามีวกาะายุสั้นไหมไปขโมยของเขาเนี่ยตายได้ไหม <c oughs> ตายใช่ไหมตายก็ได้ยิ่งกลางคืนนะแอบเข้าไป ย, ย่องย่องย่องขึ้นบ้านเขาอ่ะตายมาเยอะแล้วล่ะคุณใ <c> ช <oughs> ่หรือเปล่าอ่ะเอาตอนนี้สี่งข้อสามเอาไล่ไปเลยทีละข้อ สีนข้อสามเนี่ยโอ้โหอาจจ่าว่าอาจจะตายเยอะกับข้ออื่นเลยนะโอ้ไปผิดลูกผิดเมียผิดใครเขาว่าโอ้โหอันเนี้ยฆ่ากันตายเยอะที่สุดเลยอ่ะแม้แต่สินข้อที่สีก็ตามเอา้าเนี่ยบางทีเนี่ยพูดกันไปพูดกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาเป็นไงโอ้โหทนไม่ได้เอ็งตัวยังตายได้เลยอมันสีนทุกข้อเนี่ยโดยความเป็นจริงนะ่ะถึงขั้นตายได้ทั้งนั้นอนะ่ะถ้าถ้ากูจะ จนกระทั่งเอาข้อสุดท้ายสีลข้อห้าเอาเมาสุราอะไรต่ออะไรเนี่ยตายได้ไหมปีไอสงการที่ผ่านมาเป็นไงตายยิ่งกว่าไอหวัดมรณะนะ่อีก <c oughs> ใช่หรือเปล่า เ, เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปบอกและอย่าไปคิดแต่ตื้นๆเอเอยมุมนั้นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่ามุมนั้นไม่ใช่นะมุมนั้นก็ใช่ นั้นแล้ผลอันนั้นเนี่ยคือมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดแต่ไม่ได้หมายความว่ามุมอื่นจะไม่เป็นด้วยเป็นเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะอันเนี้ยตายที่ตายได้หมดแต่ทุกข้อคุณไปทำอะไรผิดมาตายได้ทั้งนั้นเลยแต่ทั้งหมดนี่ยังไงก็ตามมันก็เป็นผลของของบิบากรรมอย่างเช่น คนที่ประมาทนะอ่าตรง น, นี้คนที่ประมาททำอะไรไม่ระมัดระวังทันมาเลเล่นเล่อไม่รอบคอบโอ้โหบางทีไม่ทำแค่ตัวเองตายนะทำคนอื่นชาว บ, บ้านชาวช่องตายไปด้วยเยอะแยะเลยเพราะเพียงแค่ความประมาทไม่ได้ไม่ได้จะคิดให้ผิดศีลนะเพียงแค่ความประมาทยังทำให้ตัวเองตายก็ได้ทำให้คนอื่นตายก็ได้ แต่อันนี้เป็นผลวิบากกรรมตัวไหนอ่ะไม่ใช่ผลวิบากกรรมตัวที่ไปทําผิดศีลนะอ่าแต่เป็นผลวิบากกรรมที่เนี่ยทาอะไรไม่รอบขอบไม่ระมัดระวงังคิดอะไรก็ทําอะไรโดยที่บางทีไม่นึกอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนอ่ะนอนหลับอย่างเงี้ยเอ้าบางทีก็ประมาทใช่ไหมบางคนใช้ตะเกียงเงี้ยจุดไฟจุดเทียนอะไรเงี้ยบางทีโหไหมบานไหมช่อง ไม่คือมาไม่ใช่ไม่แค่บ้านตัวเองคอกตัวเองตายนะบ้านชาวอื่นชาวช่องพลอยตายไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแปลกประหลาดเลยจริงๆแล้วนะ้ะมันสัมพันธ์กันไปหมดแหละมันสัมพันธ์กันไปหมดอ่ะศี่ข้อหนึ่งเนี่ยพูดไปถึงสีลข้ออื่นก็ได้ศี่งข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องไม่เบียดเบียนเนี่ยนะสิ่ข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องไม่เบียดเบียนอนะ่ะ ไปขโมยเขาเนี่ยไม่เบียดเบียนเนี่ยป่าไปขโมยเขาเนี่ยเบียดเบียนใช่ไหมไปมีชู้กับคนอื่นเขาเบียดเบียนไหมเบียดเบียน <c oughs> อ่าโกหกขเข้อาเงี้ยเบียดเบียนไหมเบียดเบียนเอ่ไปกินเหล้าเมายาเบียดเบียนชาวชาชาวบ้านชาวช่องไหมออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยศีลเนี่ยจริงๆแล้วมันมันถ้าจะพูดไปถึงข้ออื่นเนี่ยมันก็พูดได้ ถึงบอกว่าอย่าไปคิดตายตัวอย่างนั้นนะแต่จริงที่ ท, ที่อันนี้พระเจ้าท่านกระตัดไปด้วยแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นตายตัวอะไรอ่ะเพราะคนจะอายุสั้นเพราะอย่างเดียวเท่านะั้นคือต้องไปฆ่าคนตายถึงจะอายุสั้นจริงด้วยนะอันนี้มันจริงด้วยแต่ไม่ใช่แค่มุมนี้มุมเดียวมุมอื่นยังมีอีกด้วย ซึ่งชีวิตคนเราจริงๆเนี่ยมันปนเปความเป็นจริงของชีวิตเขาถึงบางทียังบอกเลยว่าหาคนเนี่ยเลวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยหาได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะไอ้คนนั้นบางทีมันเลวยังไงมันยังมีดีอยู่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็จะมีคนดีเนี่ยแม้ดีเพียบพร้อมสมบูรณ์ไม่ไม่เอาผ้าละหันนะ แต่ว่าในส่วนใหญ่เราบอกวโอ้โหดีคนนี้ดีดีแต่บางทีก็ผิดพลาดได้อ่าทำอะไรที่บางทีเออเสียียหายหายบ้างก็มีเพราะอันนี้มันไม่ได้ตายตัวอย่างนั้นเพียงแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ก่อนคนซึ่งไม่ค่อยเข้าใจเรื่องวิบากกรรมเนี่ยก็เลยยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเพราะมันหาหลักยึด หาหลักที่จะมาเปรียบเทียบมาอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องต้องพูดเป็นแนวอย่างเงี้ยเอาไว้ให้รู้ว่าถ้าเบียดเบียนคนอื่นเขาก็จะอายุสั้นนะจะเจ็บป่วยได้ไข้นะอย่างเงี้ยให้พอรู้ให้พอเข้าใจวันให้ให้เข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าพูดคลุมอย่างนี้ไปหมดเลยนะเดี๋ยวคนเลยเมาหมดเลยเพราะนั้นเวลาตรวจสีเนี่ยส่วนใหญ่ อาตมามักจะบอกพวกเราว่าเวลาคุณตรวจสีนเนี่ยนะคุณพยายามว่าเอาหลักๆตัวไหนก็เอาตัวนั้นมาตัวหนึ่งคือไม่อยากให้ให้คิดปนเปนไปหมดเพราะว่าถ้าคิดปนเปนไปหมดเนี่ยเดี๋ยวพื้นฐานเนี่ยคนนี้จะจะจับไม่ได้ว่ามันอะไรเป็นหลักๆบ้างจะจับไม่ได้เพราะฉนั้นอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยบางคนเนี่ย เล่นมาตรวจเอาตอนตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนไงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโอ้โกรธไอ้นั่นโกรธไอ้นี่น่ ไ, นนไปทําอย่างงั้นทําอย่างนี้นี่อาตมาบอกแล้วบางทีใส่ได้ตั้งหลายข้อเนี่ยสิงข้อนั่นก็ใส่ได้สิงข้อนี้ก็ใส่ได้ อ, นนไดอะไรใส่ได้ตั้งหลายข้อแต่อาตมาพยายามตัดรอบก่อนบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องอย่างงี้ให้คุณจับหลักให้ได้ว่าสิงข้อ น, นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเป็นหลักหรือว่าเป็นใหญ่ ถ้าสีนขอ้อนี้เกี่ยวกับเรื่องโทสะเรื่องของความเบียดเบียนคุณไปใส่ก็ข้อที่หนึ่งข้อเดียวก็พอข้ออื่นคุณไม่ต้องใส่แต่จริงๆใส่ได้นะแต่ว่ายังไม่ต้องใส่ให้จับหลักให้ได้ชัดถ้าคนนี้เนี่ยเริ่มจับหลักชัดแต่นี้อย่าไปมีอุปทานว่าว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นละ คราวนี้ถึงจะค่อยมาเรียนรู้ใหม่ว่าผลอย่างอื่นศินข้ออื่นก็ทําให้เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่เฉพาะสีลข้อนี้แต่อย่างน้อ ย, นอยเนี่ยมันต้องมีหลักเอาไว้ก่อนถ้าไม่มีหลักไว้ก่อนนะคุณเมาหมดเลยก้อนนี้ตัวศินคุณยังคุณยังจะไม่รู้เลยนะว่าเออเ อ, อ, อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเอาไปลงข้อไหนคราวนี้ยมันลงมั่วเลยนะ ข, น ข, นข้อนั้นข้อนี้อะไรลงมั่วเลยแล้วคราวนี้เมื่อ มันไม่มีแนวทางไม่มีอหลักเอาไว้บ้างเนี่ยสมองกูจะสับสนครานี่ในการตรวจสอลก็จะยิ่งงงเพราะฉนั้นก็เลยต้องต้องแยกอย่างเงี้ยเอาไว้ว่าอ๋อ อ, อ, อ, อย่างงี้ไปก่อนแต่บอกแล้วความเป็นจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยกูจะมาใช้กฎตายรักษได้ไงอันนี้จังทุกขังอ น, นัตตากูใช้ไม่ได้เลยเอ่า แต่พูดอย่างเงี้ยมันจะกลับไปกลับมาพูดอย่างเงี้ยมันจะกลับไปกลับมาเหมือนกับบอกว่าคุณไปยึดตายตัวทีเดียวไม่ได้นะแต่พอพูดเสร็จแล้วเอา้าคุณต้องมีหลักยึดก็ <c oughs> ต้องมาพูดว่าคุณต้องมีหลักยึดแต่พอพูดว่าคุณมีหลักยึดเสร็จใช่ไหมคุณก็สมมติว่าก็สิ่งข้อหนึ่งเท่านะั้นวิบากกรรมก็คือทําให้อายุสั้นทําให้เจ็บป่วยได้ไข้อสิ่งข้ออื่นก็ไม่ใช่สิ อ่าคราวนี้ถ้าคุณยึดอย่างนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็จะต้องมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่อย่างนั้นสินข้ออื่นก็ทําให้ตายได้ทําให้เจ็บป่วยได้ใครได้เนี่ยเนี่ยมันจะต้องมาเพิ่มอย่างนี้ทีหลังให้ค่อยๆค่อยๆเข้าใจเหมือนกับบางทีเนี่ยถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์บางทีคุณใช้วิธีนี้คิดเออแก้เลขออกมาก็ได้แต่บางทีถ้าคุณมีวิธีอื่นคิดอ่ะคุณอาจจะใช้ออกมาได้เหมือนกัน เพราะนันพอพอไปถึงขั้นจริงๆเนี่ยมันมันจะใช้ได้หลายวิธีในการแก้แกไอ้ไอ้อะไรอะ่ะปัญหาข้อนี้โจทย์ข้อนี้ใช้วิธีอื่นก็ยังแก้ได้อีกไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวแต่ถ้าคุณไปเรียนคณิตศาสตร์ใหม่ๆเขาก็หัดให้คุณาหัดบวกลบก่อนนะวิธีอื่นมีแต่เขายังไม่ให้คุณใช้อ่ะเขาให้คุณฝึกบวกลบอ่าพอคุณฝึกบวกลบไปเสร็ คุณแก้ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพอคุณเรียนขึ้นมาอีกคราวนี้โจทย์ข้อต่อไปก็ให้คุณเริ่มคูณหารอะไรเข้าไปแล้วซึ่งมันก็จะแก้ออกมาได้อีกเหมือนกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยเอาตั้งโจทย์ขึ้นมาข้อนึงนะโอ้โหกูต้องเสียเวลามานั่งบวกนะ โ, โหตัวเลขจะมาลูกกี่ตัวนะแล้วก็เอาเอากลุ่มเลขตัวนี้มาบวกกัน และอีกกลุ่มเลขตัวหนึ่งเอามาลบกันโหกว่าจะได้คำตอบนี่นะยืดยาวเลยนะเยอะแยะแต่พอเดี๋ยวให้ไปใช้คูนกับหารอ้าวไม่ต้องมานั่งบวกทีละตัวใช่ไหมใช้ระบบคูนเข้าไปอ่าบางทีสิบคูนกับสองเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบคราวนี้เราไม่ต้องมานั่งเอาสองมาบวกตั้งสิบครั้งใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาอย่างนั้นละ โอ้โหแค่เอาสองคูณกับสิบเท่านั้นได้คำตอบออกมาแล้วยี่สิบคืออย่างเงี้ยแต่มันเริ่มเป็นวิธีอื่นแล้วใช่ไหมได้คำตอบออกมาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกขึ้นมาขยายเรื่องของสีให้เราเข้าใจว่าหลักอย่างนั้นคุณต้องรู้คุณต้องมีด้วยแต่พอคุณรู้แล้ววันหลังคุณจะรู้พระพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้เลยว่าเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยเป็นอะไร อจินตายนะโอ้โหคำนวณได้ยากไม่อย่างนั้นท่านจะพูดอย่างนี้ทำไมอะ่ะถ้าอย่างอย่างที่คุณจำเอาไว้นะว่าค่าสัดตัดชีวิตเนี่ยสินค้อนผิดสินค้อหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้อายุสั้นหรือทำให้เจ็บป่วยได้ไข่ตามสูตรอ่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องคิดมากเลย <laughs> ง่ายมากโอ้โหคำตอบนี่ง่ายมากใช่ไหมเพราะ โอ้โอันี้เป็นคําตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่บอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ไม่อย่างนั้นจะเป็นอจินไต่ได้ยังไงเรื่องของวิบากกรรมเพราะาโอ้โหมันยิ่งสลับซับซ้อนอย่เลยนะชีวิตของคนเราแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมันยิ่งผสมปนเปย์ะบางทีทําดีบ้างบางทีก็กึ่งดีกึ่งไม่ดีบ้างบางทีก็ทําไม่ดีบ้างแล้วคุณจดจําได้เหรอว่าคุณทําอะไรไว้ยังไงบ้าง โอ้โหจดจำไม่ได้เลยนะเพราะนั้นอันนี้เป็นคําตอบที่ว่าเราจะได้เข้าใจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจจะนึกๆๆแต่ตายตัวอย่างเดียว <c oughs> พอดีจะอ่านชาดกให้ฟังสักเรื่องหนึง่งคือตะกี้เนี่ยนึกถึงคําถามเมื่อตะกี้นี่นะอ่ก็เลยมีชาดกอยู่เรื่องเรื่อง สุลาปานชาดกสุลาแปลว่าเหล้าภาษาไทยสุลาแปลว่าเหล้าแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีพ่อท่านก็บอกสุระแปลว่าแปลว่าหนักแปลว่ายาแปลว่ากล้านะสุระเราลองฟังดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นยังไงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริก อยู่ในเจติยชนบทได้เสด็จไปจนถึงตำบลบ้านพัฒวติกาคำว่าพัฒวติกาเนี่ยแปลว่ารั้วงามบ้านที่ชื่อว่าบ้านรั้วงามเอมันน่าจะอย่างอื่นงามนะนี่นี่รั้วงามแสดงว่าใช้รั้วอะไรอ่ะจัด ส, สวยงามมนนะ ที่นั่นพวกคนเลี้ยงบัวพวกทาปัสสุสัตชาวนาและคนเดินทางพอได้พบกับพระาศาสดาที่เสด็จมาต่างก็พากันถวายบังคมแล้วกาบทูลเตือนพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปที่ท่าอัมพะเลยอัมพะแปลว่ามะม่วงนั่นอย่าเสด็จไปที่ท่าอัมพะก็คืออย่าเสด็จไปที่ท่ามะม่วง ถ้านี่คือคือท่าน้ำเนี่นะเพราะมีนาคตัวหนึ่งชื่ออัมพัตอัมพติถกะแมอ่านยากอัมพติถกะอาศัยอยู่ในอาสมของพวกฉรินของพวกฉดินฉดินนี่คือนักบวชพวกหนึง่งที่เป็นเหมือนกับพวกฤาษีนะเขาจะบุ่นบุญไอ้ไอ้เนี่ยอะไรนะมวยผมเนี่ย นะแล้วก็มัดมวยผมอยู่เนี่ยนะสูงสูงแล้วพวกฉดินพวกนี้ส่วนใหญ่จะนิยมการบูชาไฟคือคื อ, ค, อคือนับถือไฟเป็นเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรพวกนี้นะเขาจะบูชาไฟเพราะว่าเนี่ยที่น่าเป็นที่อาศัย ม, มีมีนาคนาค ก, ก็คืองูที่ตัวใหญ่เขาถึงจะเรียกว่านาคถ้างูตัวเล็กๆนี่เขาไม่เรียกว่านาคนะ อนนี่ต้องเป็นงูใหญ่ถ้าถ้าจะเปรียบก็แบบปีมาโรงปีมาโรงเนี่ยถือว่างูใหญ่ถ้างูเล็กเขาก็เรียกงูงูเล็กไปเขาเรียกงูธรรมดานี่อืมนั้นก็บอกว่าเนี่ย ม, มีมีนาคตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในอาสมของพวกชดินเป็นอสารพิษที่มีฤทธิ์มากมีพิษร้ายมันจะเบียดเบียนทำร้ายพระองค์ได้พระเจ้าค่ะ คือรีบมาบอกข่าวมาเตือนพระพุทธเจ้าว่าอย่าอย่าไปที่ทางนั้นนะแม้พวกเขาจะกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงทำอาการดุษณีอาการดุษณีดุษณียภาพเนี่ยคืออาการคื อ, อาการนิ่งเงียบแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทำอาการดุษณีเนี่ยนิ่งเงียบเนี่ยก็หมายถึงว่าอย่างเช่นคุณไปนิมนต์อย่างเงี้ยสมมตินิมนต์พระพุทธเจ้า ให้แบบว้าอะไรอะไปฉันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้เจ้านิ่งเงียบหมายถึงผู้เจ้ารับนี่เขาเรียกว่าทำอาการดุษณีก็คือนิ่งเงียบคือคือรับรู้และรับฟังไว้แล้วคือการที่ไม่พูดพวกเขาจึงย้ําเตือนแก่พระศาสดาอีกถึงสองครั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังคงพูงไงว่านิ่งเงียบ แล้วก็เสด็จไปและประทับอยู่ณนะราวป่าใกล้ๆท่าอัมพานั้นเองเอก็คือว่าไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่หว่นเกงอะไรแล้วก็ไปประทับใกล้กับที่ที่ชาวบ้านบอกนั่นแหละในคราวนั้นพระสาคตะเป็นผู้อุปถากพภาษาสดาอยู่แสดงว่าช่วงนี้ช่วงนี้ปัจชาสมณะของพระพุทธเจ้าคือพระสาคตะ นะั้ไม่ใช่พระอานุ์ช่วงนี้ภาษาขาตานั้นมีฤทธเดชมากแต่เป็นฤทธทางโลกีอันเป็นของปุถุชนเข้าใจใช่ไหมฤทธทางโลกีกับฤทธทางโลกุตะละอันนี้เข้าใจไหมฤทธทางโลกโลกอย่างเช่น เ, เขาบอกว่าไงหไเอาอางหาะได้อย่างเงี้ยเหาะได้จริงๆตัวนี่ตัวนี่ก็ลอยขึ้นไปอย่างเงี้ยเหาะได้อา่า อย่างเี้ยเขาเรียกว่าฤทธิ์ทางโลกีแต่ถ้าฤทธิ์ทางโลกุตระว่าเหาะได้เป็นไงเหาะได้นะอ้าวเบากายเบาใจนะรู้สึกว่าโอ้โหพองใสนะปราศจากกิเลสอะไรมาดึงมาฉุดมารั้งไม่ได้จิตใจเราปลอดโปร่งสบาย อันนี้สบายแบบที่เราพ้นกิเลสมาได้เราหลุดจากกิเลสนั้นมาได้นะอันนี้เหาะได้เหาะได้โดยเท้าติดพื้น <c oughs> นะถ้าหอะแบบโลกีนี่เท้าพ้นพื้นลอยได้เลยเอามีจริงมันลิศทางโลกีก็มีจริงลิศทางโลกุตระก็มีจริงมันส่วนใหญ่เนี่ยที่พ่อท่านบางทีมาอธิบายเรื่องลิศเรื่องอะไรต่าง อย่างโล ก, กุตละให้พวกเราฟังนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมบางคนเนี่ยบางท่านที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์แบบโล ก, กีเลยมีฤทธิ์แบบโล ก, กุตละอย่างเดียวก็บรรลุธรรมได้ไม่จำเป็นต้องมีแบบโล ก, กีเลยยกเว้นว่ า, าบางท่านแม้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ ภิกษุบางรูปสามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้มีฤทธิ์ทั้งทางโลกุตระแล้วก็มีฤทธิ์ทั้งทางโลกีแต่ในที่นี้เนี่ยพระสาตะมีฤทธิ์ทางโลกีนี่มากพูดอย่างนี้หมายความว่าฤทธิ์ทางโลกุตระยังยังน้อยยังไม่มากท่านก็ได้ไปยังท่าอัมภะ เข้าไปในอาสมของชดินนะภาษาคตะเนี่ยเพราะว่าถือว่าตัวเองมีฤทธิ์มากเนี่แหละมีฤทธิ์ทางโลกีมากก็เลยไม่กลัวเหมือนกันเข้าไปในอาสมของชดินเลยปูลาดหญ้าเป็นที่รองนั่งตรงโรงบูชาไฟอันเป็นที่อยู่ของนาคตัวนั้นแล้วท่านก็นั่งลงคูบาลังนะเขาเรียกว่านั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเู้ยง่ายว่าหน้าก็อยู่เนี่ยแหละ ท่านก็นั่งเลยถ้านมีลทตร์ท่านเลยไม่กลัวครับนั่งประจนนากับนาคนี่นาคพอเห็นภาษาคตะก็ทำท่าทายเช่นนั้นก็คุนเคืองผู้ง่ายว่าเอ๋อย่างนี้นี่ลองของะนะก็คุณเคืองดุร้ายขึ้นมาทันทีพ่นควันหวนตรบขึ้นพู้ง่ายว่าพ่นไฟใส่นั่นเองพ่นควัน น, นะนะแม้ภาษาคตะก็แสดงฤทธิ์ข่มนาค ทำให้ควันหวนตลบขึ้นเช่นกันพู้ยง่ายไม่รู้นะอันนี้ท่านใช้ฤทธิ์ยังไงไม่รู้ก็สู้กับนาตัวเนี้ยเสมือนโดนลบหลู่นากิ่งทนไม่ได้จึงพ้นไฟร้อนแรงเข้าใส่ภาษากตะก็เพ่งจิตเข้าสู่เตโชาธาตกระสินสมาบัตคือเพ่งกระสินเข้าสู่เตโชกระสินเตโชแปลว่าไฟ นะะเพราะนั้นแกพูดง่ายตอนนี้ใช้ใช้จิตเนี่ยแหละใช้พลังจิตนะเพ่งให้เกิดเป็นกสินไฟขึ้นมาบรรดาลไฟพุ่งออกต้านทานไวเออฤทธ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากจิตทั้งนั้นฤทธ์ทั้งหลายเนี่ยแม้แต่จะเหาะได้แม้จะจะอะไรอะ่ะที่เขาฤทธ์ทั้งหลายอะ่ะจะเหาะได้จะดำดิน จะอะไรเนี่ยนะล้วนต้องใช้พลังจิตทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่จิตนี่เป็นประธานแม้ลิทธทางโลกีก็ต้องใช้พลังจิตเหมือนกันเพียงแต่อันนั้นเป็นพลังจิตแบบโลกีไม่ได้พาให้บรรลุธรรมไม่ได้พาให้พ้นทุกนาดยิ่งใช้ไปยิ่งใช้ไปเนี่ยอาจจะยิ่งกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ พ, เพิ่มขึ้นนะ่ะได้เพราะมันเป็นลิทธทางโลกี ยิ่งใครใช้ยิ่งใครติดยิ่งใครหลงโลกิเลสก็ยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นได้แต่ถ้าเป็นฤทธิ์ทางโลกุตละคุณยิ่งใช้คุณยิ่งมีนะพลังจิตอันนี้ยิ่งเข้มแข็งโอ้โหกิเลสก็ยิ่งลดลงลดลงลดลงยิ่งหมดไปเรื่อยๆนั่นนี่คือความแตกต่างกันแต่ปรากฏว่าภาษากตาเนี่ยตอนนี้ใช้เตโชกสินละนะเพ่งใช้เป็น อะไรอะบรรดาให้เป็นไฟออกมาสู้กับนาคตัวนี้ฤทธิดเดชของนาคาข่มภาษาคตะไม่ได้แต่ฤทธิดเดชของภาษาคตะข่มนาคไว้ได้แสดงว่าไฟแรงกว่านะไฟของนาคนี่สู้ไฟของภาษาคตะไม่ได้ท่านครอบงำไฟของนาคด้วยเตโชกสินนั่นเองช่วงเวลาเดียวเดียวเท่านั้นก็กำราบนาคนั้นให้เชื่องได้ แล้วก็กลับไปอุปถักษาพระศ า, าสดาตามเดิมพูดง่ายๆว่าเจตนาที่มานั่งคัดศมาะอยู่หน้านาคตัวนี้ก็คือตั้งใจปราบนาคเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยวันรุ่งขึ้นพระศ า, าสดาได้เสด็จจาริกไปสู่พระนครโกสัมพีนครหลวงของแคว้นวังสะ พวกชาวพระนครโกสัมพีต่างพากันรู้ข่าวว่าภาษาคตะได้ต่อสู้ด้วยฤทธิ์ชนะนาคดุร้ายตัวนั้นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพระนครจึงมุ่งหน้ากันหมายถึงชาวบ้านเนี่ยนะมุ่งหน้ากมารับเสด็จพระศ า, าสดาแล้วเข้าไปหาภาษาคตะด้วยความเคารพศรัทธายิ่งโดยไถ่าถามปรนาว่าไม่ปรนาคืออะไร อนุญาตให้ว่ากล่าวได้เอาแล้วอะไรอีกแจ้งความจำนวนว่าแลไรอ่ะเปิดโอกาสให้ขอได้นะเพราะฉะนั้นความหมายจะมีสองอย่างใหญ่ใหญ่อย่างหนึ่งก็คือจริงๆก็คือเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้ว่าได้นะนั่นอย่างหนึ่งเปิดโอกาสให้ขอได้นั่นอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่จะมีสองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปวารณานะเพราะฉะนั้นคราวนี้ดูนะ พวกชาวบ้านนี่นะมาเข้าเฝ้าผู้เจ้าแต่แทนที่จะไปหาผู้เจ้านะไม่เลยนะมาหาภาษากระกตะนี่แหละคือคนทางโลกีเนี่ยชอบเรื่องพวกนี้เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอะไรขลังขลั ง, งเรื่องอะไรแปลกพิสดารอะไรพวกนี้ชอบวนันมาเลยมาประวรัลนาภาษากระกตะเลยนะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญสิ่งใดที่ท่านปรารถนาและหาได้ยากนิมนต์บอกสิ่งนั้นเถิด พวกเราจะจัดมาถวายให้แก่ท่านทันทีเลยเนี่ยโดยความเคารพด้วยความศรัทธาภาษาคาตะนิ่งเฉยเสียไม่ได้ว่ากล่าวอะไรแต่พวกภิกษุฉับพักคีพากันกล่าวว่าดีสิจงนำสุลาใสสีแดงดังสีเท้านกพิราบมาถวายเถิดเพราะเป็นของหาได้ยากและเป็นของน่าชอบใจอีกด้วย คือภาษากาตาไม่ได้พูดนะพอดีตรงนั้นนะ่ะมีพระฉับพคีอยู่พระฉับพรคีนี่เป็นชื่อเรียกกลุ่มมีภิกษุอยู่6รูปหน้าที่ที่ที่เป็นกลุ่มอยู่เนี่ยกลุ่มเนี่ยมีอยู่หรูปก็เลยได้ชื่อเรียกว่าพระฉับพคีมันพระฉัพพรคีไม่ได้เป็นชื่อภิกษุรูปเดียวนะเป็นชื่อกลุ่มเรียกเนี่ยเพวกเนี่ยพวกเนียพระฉับพคีฉับพระนั่นเองก็คือ6 นะปากฏว่าหกลูปนี่ตอบแทนตอบว่าเอาสุรามาสินะก็ไม่รู้นะก็บอกว่าแม่ต้องสุราสีแดงใสเหมือนสีเท้านกพิราบ พ, พวกนี้เคยเห็นนกวิราบไหมเคยเลี้ยงนกพิราบไหมแล้วเคยเห็นไหมเท้ามันเนี่ยมันจะเบียนสีแบบชมพูชมพูนะ อ, อ่นั่นแหละว่าเอาเอาสีสุราอย่างนั้นมาเอามาถวายสิเพราะาหาได้ยากด้วย ชาวพระนครโกสัมพีก็รับคำแล้วกลับไปจัดเตรียมสุราเอาไว้ยังเรือนของตนในเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงห้ามการดื่มสุราคือยังไม่มีใครไปทำผิดก็เลยไม่ได้ยังยังไม่ได้ห้ามคันรุ่งขึ้นภาษาคาถเข้าไปบิณฑบาตในพระนครแต่ละครัวเรือนพอได้พบเห็นภาษาคาถต่ตางก็พากันกล่าวอัจเชสนา อัจเชสนาพูดภาษาง่ายๆก็คือนิมนตเพราะนั้นปรากฏว่าภาษากาตานิยพานบ้านไหนเรือนไหนบ้านนั้นก็นิมนนิมนตเลยทุกบ้านเลยนะนิมนต์พระกุญเจ้าสาตะเชิญดื่มสุราใสาสีแดงดังสีเท้า น, นกพิราบเจ้าข้านิมนดื่มสุราใสาเจ้าข้านิมนดื่มแต่ละบ้านนิมนนิมนนิมนเอาละสิจะมีผลเป็นยังไงคิดดูเอาก็แล้วกัน โอ้โหชาวบ้านชาวช่องกำลังศรัทธาอย่างมากเลยใช่ไนหะแล้วจริงๆเนี่ยท่านเองท่านก็ไม่ได้บอกนะเนี่ยรูปอื่นบอกแต่มันมาลงที่ท่านแล้วคราวเนี้ยพวกพระฉัพระคีเนี่ยพูดภาษาคตะจึงได้ดื่มสุราใสาสีแดงทุกๆครัวเรือนนี่ไม่ไม่รู้เพราะว่าคือปกติเนี่ยนะสายพวกเล่นลิศสายพวกอะไรเนี่ยมักจะเป็นสายเขาเรียกว่าเหมือนกับ ถ้าเดี๋ยวนี้เขาเขาเรียกว่าเหมือนกับสายนักเลงพวกนะพวกนี้ใช่ไหมชอบใช่ไหยพวกของขลังชอบพวกอะไรอ่ะยิงไม่เข้าแทงไม่ออกเอ้ยยังไงยิงไม่ออกสินะแทงไม่เข้าเออจะต้องพวกเนี้ยสายพวกเนี้ยจะเป็นบางทีเขาเรียกสายเมาพวกสายพวกเนี้ยจะเป็นพวกสายเมาไปดูเถอะส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยทั้งนั้นแหละนะแต่นี้เนี่ยถ้า ดูโดยพื้นเพเนี่ยยิ่งภาษาคตถาเนี่ยท่านชอบลิเตพวกเนี้ยบางทีท่านจะต้องมีเชื้อพวกเนี้ยอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านไม่ได้เจตนาแต่ตอนนี้พอปรากฏว่าโยมเข้ามานิมนเนี่ยแล้วผู้เจ้าก็ยังไม่ได้ห้ามตอนนั้นแต่จริงๆเนี่ยแม้ไม่มีข้อห้ามก็ตามเรารู้โดยสามัญสํานึกเนี่ยว่าอันนี้คือสุราอันนี้เป็นของมุนเมาแม้ไม่มีข้อห้ามก็ ไม่ควรดื่มไม่ควรกิน<ม>ใช่ไหมงั้นอันนี้เนี่ยอย่าเอาแต่ว่าเอ้ยอันนี้ไม่มีสีข้อห้ามยิ่งประเภทเ อ, อ, อะไรอ่ะฉลาดเฉโกะฉลาดแกมโกมแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรนะเอ่อไดร์เล็กเซลเวิดีโอเกมเอ่ะ อะไรอ่ะที่เดียวเนี้ยยุคเนี้ยมันมีอ่ะแต่ยุคครูพระเจ้าไม่มอีอันนี้ไม่มีข้อห้ามอ่าเพราะฉะนั้นท ำ, ทำได้อ่าเพราะฉะนั้นกินได้เพราะฉะนั้นดื่มได้อ้าวตายอย่างนี้แสดงว่าเฉโก